ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณประมาะสร้างกรรมดีกันตั้งวันนี้เริ่มทำกรรมดีด้วยการทำสมาธิด้วยการทำจิตให้สงบชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงกองใตร้ร่มโพธิบททางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุนในทุวันพุทธเรามาฝึกทําสมาธิกันสันส้นๆสักห้า น, น, นาทีเป็นการสร้างกรรมดีเป็นการสร้างกรรมขาวเป็นการสร้างวิบากที่จะให้ผลอยู่เหนือทั้งดำและขาวได้แล้วจึงจะค่อยไปฟังเรื่องกองกรรมกัน ในตอนนี้เรามาตั้งเจตนาไว้ตั้งเจตนาด้วยเริ่มจากสติที่เรามีอยู่ในกายกายของเรากายของใครนะก็ของธรรมบุฟังนั่นแหละของพระมหาภัยบูร์กของพระมหาภัยบูร์ของหลวงพ่อด็อกเตอร์ก็ของหลวงพ่อด็อกเตอร์ของธรรมบุฟังก็ของธรรมบุฟังกายของใครก็ของคนนั้นคนนั้นทําไมเราจะไม่รู้ว่ากายเราอยู่ตรงไหนใช่ปล่า รู้สิกรอบขอบของกายของเราก็หุ้มอยู่ด้วยผิวหนังมีพื้นเท้าอยู่ล่างสุดมีปลายผมอยู่บนสุดมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้จิตของเราอยู่ในกายนี้เอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเราจับตรงไหนก็เป็นกายจะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกาย จะดื่มน้ําเย็นลงไปรู้สึกถึงความเย็นในกายก็เป็นกายจะกินข้าวลงไปรู้สึกถึงความอิ่มความง่วงนั่นก็เป็นกายจะมีเวทนาโอ้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาปวดขาปวดเอวนั่นก็อยู่ในกายมันอยู่ในกายไั้หมดตอนนี้เราจะไม่ได้แคร์นะว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะไม่ได้แคร์นะว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็น ไม่ได้แคร์ด้วยว่ามันจะอุ่นหรือมันจะหนาวไม่ได้แคร์ด้วยว่ามันจะนิ่งหรือมันจะขยับไปขยับมาเหมือนลมหายใจบางทีก็นิ่งบางทีก็ขยับไปมาแล้วก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าว่ามันจะสั่นไหวหรือมันจะอยู่เฉยๆเหมือนขาบางคนนิ่งไม่เป็นขยับลุกนึกๆกนึกอยู่ได้มือเดียวกันอยู่ไม่สุขคือไม่ได้เอาพวกนั้นไม่ได้เอาสุขหรือทุก รวมเรียกแต่เอาเะบาที่ว่าโอเคเรามีสติเรามีสติอยู่ในความทุกข์กได้นะทุกฝั่ ง, งนะมีสติอยู่ในความสุขได้นะทุกฝั ง, งนะมีสติอยู่ได้หมดทั้งสุขหรือทุกข์ทั้งดีหรือไม่ดีสติเกิดขึ้นได้เพราะความดีมันเริ่มตรงนี้ไงมีสติตั้งขึ้ไว้มีสติตั้งขึ้นไว้แล้ว วันนี้เรามาเจริญพรมิหารสี่ธรรมบุฟังเจริญพรมมิหารคือตั้งจิตไว้เหมือนกับปรหมที่เป็นใหญ่อยู่ในปรมโลกคือมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทำไปพร้อมๆกันเลยธรรมบุฟังสี่ครั้งสี่ด้านทุกทิศทาง ตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาซะก่อนเหมือนกับมารดาที่เวลาคลอดลูกคนแรกจะเป็นชายหรือหญิงคลอดออกมาแล้วเนี่ยโอ้ด้วยความรักชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขโดยจิตเมตตาแบบนี้ตั้งไว้ด้วยจิตกรุณาคือปรารถนาให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ที่ว่าถ้าเขาจะได้รับทุกข์แล้วทุกข์นั้นหยุดไปหายไป เปรียบเหมือนกับนายปราณจะไปฆ่าสัตว์เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้ไม่ทำมันดีกว่าด้วยจิตกรุณนานั้นมาทันทีตั้งจิตไว้ด้วยกับมูทิตาคือความยินดีปอใจในความสาเร็จของบุคคลอื่นที่เขาได้มาเฉพาะหน้าน้อยเขาตามมากเตามยินดีหมดเปิบไว้เหมือนกับญาติที่ห่างเหินกันไปนานโอ้ยกลับมานี่เขาจะ แต่งตัวดีแต่งตัวไม่ดียังไงเรายินดีหมดดีใจที่ได้เจอกันดีใจที่ได้กลับมาตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาคือความวางเฉยวางเฉยในสิ่งที่เป็นสุขวางเฉยในสิ่งที่เป็นทุกข์ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณาหมุธิตาและอุเบกขา ให้แพรไปยังสัพสัตทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแกงแรงสามารถเป่าสัง ให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศไม่อยากเฉยแต่นั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามมทิตาและอุเบกขาแพรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่ น, นั้นเหมือนกันกอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษม จงมีความเจริญอาวละตบวังหลังจากที่เราได้ทำเจตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะอันพระผู้มีปราภาคท่าได้แต่งตั้งบัญญัตแยกแ ย, กแยกะแจกแจง ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกลุ่มราบพรอบไม่ละลวมเปรียบเทียบุพมาอุปมาอุปไมยให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานด้วยปัญญาด้วยความกรุณาด้วยความสามารถของท่านบอกสอนไว้เพื่อเหมือนจุดเทียนไว้เปิดไฟไว้ ตรงจุดที่มันเป็นทางแยกทางเลี้ยวเปิดค้างไว้เฉยๆนะเพื่อว่าถ้าคนเขาผ่านมาตรงนี้เขาจะได้เห็นทางไปตรงไหนอะไรยังไงทำเครื่องหมายบอกไว้คือห่วงหรือ <c oughs> ว่ามีใจนึกถึงคนที่เดินตามเป็นหมาเพื่อทีว่าจะได้ไปถูกทางไม่เลี้ยวไปผิด ไม่หลงไปผิดคนอื่นๆครูบาอาจารย์ตามต่อมาก็ได้ทรงจำเอาไว้ได้บอกต่อสืบทอดคำสอนเหล่านั้นทั้งด้วยความทรงจำด้วยทั้งด้วยการปฏิบัติของตนด้วยมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆทรงทอดมาถึงพวกเราตระบังให้เป็นแสงสว่างในโลก ที่เป็นความหวังในโลกให้เป็นเส้นทางสำหรับโลกที่มันซับซ้อนวุ่นวายสับสนมืดตึงมืดเราอยู่น้อยยังมีแสงสว่างนี้มีเส้นทางตรงนี้ให้เราไปได้การศึกษานั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังรอบคอบรัดกลุมไม่เหมาเหมา ไม่หยาบยาบถึงได้ให้ตำรวฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งมาก่อนแล้วก็มาศึกษาทำความเข้าใจกันเป็นลักษณะที่แสดงถึงความน้อบน้อมในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุวันพุทธตำรวจผมข้อที่ขบเช้าอยากจะพูดในวันนี้จะอยู่ในเรื่องที่ว่าด้วยสิ่งที่เราควรพิจารณาหนึ่งหนึ่ง หนึ่งในห้าอย่างนั้นนั่นคือเรื่องของกรรมสี่อย่างในห้าอย่างนั้นได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นเรื่องดูเหมือนธรรมดาธรรมดาคือเป็นพื้นฐานแต่ว่ามีความไม่ธรรมดาคือมันสำคัญมากๆอยู่นั่นอในสัปดาห์ก่อนๆได้พูดไปแล้ววันนี้เอาเรื่องของกรรมามาฟัง เรื่องของกรรมกอไก่แม่นันากาดมอม้ามอม้าสละอ่เขียนมาจากบาลีเป็นอย่างนี้นะะถ้าเขียนในภาษาไทยที่เขาก็เอารูปของสันสกฤตมาใช้ก็เป็นกอไก่รอหันแล้วก็มอม้าหัวข้อเรื่องของกรรมนี้ก็จะเป็นซีรีส์สักสองหรือสามตอน เป็นซีรีส์ที่จบในตัวนี่เป็นตอนที่หนึ่งจะว่าด้วยเรื่องของกรรมที่เป็นพุทธพจนี้สกอ่อนกรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรานำมาพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยจะทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบทนี้ก็เป็นบทที่เราใช้สวดมนต์กันในเวลาทำวัดตอนเช้าด้วยสิ่งที่เราต้องพิจารนณาเ น, นืองๆอยังรวมถึงตอนเย็นบางคนก็พูดถึงเรื่องปรมวิหารสี่ ส่วนที่เป็นอุเบกขาก็จะยกเอาตรงนี้ขึ้นมาให้พิจารณาถึงโดยเมตตาก็จะเหมือนกับแม่รักลูกแต่เป็นกรุณาก็จะมีอุปมาเหมือนกับไม่ํำร้ายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแต่เป็นมุทิตาก็คือการที่ต้อนรับญาติที่ห่างกันไปนานกลับมาแล้ว ผูเบคาก็คือให้พิจนารณาเรื่องของกรรมตรงนี้ว่าสัตว์แต่ละประเภทคนแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหัวข้อที่พระพุทเจ้าจะยกเรื่องกรรมมาอธิบายเป็นซีรีส์นั้นก็จะมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันต้งระวังทั้งสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในบทนี้เป็นต้นเรายังมีบทอื่ น, นยรวมถึงสิ่งที่เป็นอัตถกถา คืการอธิมายเพิ่มเติมในเรื่องของกรรมในที่นี้ก่อนอยากจะชี้ประเด็นนี้ให้เห็นด้วยพุทธบทตบทนี้ถ้าพูดถึงกัลยาณนักกรรมและปาปะกรรมคือกรรมทั้งที่ดีก็มีกรรมทั้งที่ชั่วก็มีให่เข้าใจข้อ น, นี้ก่อนกรรมคนพูดแค่เนี้ยบอกว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรม เออคุณรับรับกรรมไปรับรับกรรมไปก็จะหมายถึงเอาเฉพาะในเรื่องของกรรมชั่ววิบากของกรรมชั่วคือไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เท่านั้นคือเราต้องรัดกลุ่มนะดูฟังนะอย่าแบบว่าเมาเมาอ่ะแม้แต่กรรมว่าบุญนี่ก็ใกล้กันพูดถึงว่าทําบุญทาบุญก็จะหมายถึงลําบังเพียงการให้ทานเท่านั้น แต่บุญเนี่ย้มันกว้างขวางถึง1ิอย่าง16อย่างอะไรต่างก็มีรักษาศีลนั่งสมาธิเนี่ยก็เป็นบุญไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวเราต้องเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งกรรมดีก็มีชั่วก็มีกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมที่เราทำจะต้องได้รับผลกรรมะทายาโทคือเราจะเป็นผู้รับ ผลของกรรมนั้นมีกรรมเป็นของของตนคือเราเป็นคนทำเองคือการสร้างเหตุและการได้ผลนั่นเองเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนี่นะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตินิตาเราพูดแบบนี้ใช่ไหมโอ้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบของกรรมทั้งดีและชั่ว ก็จึงจะทําให้เข้าใจคลายเคลื่อนไปอีกว่าถ้างั้นเราจะจะพ้นยังไงอ่ะเราก็ต้องสร้างกรรมดีไปเรื่อยๆแต่ในคําสอนนี้ก็พ้นจากกรรมได้ด้วยเหมือนกันนะอยู่สูงกว่าเหนือกว่าพ้นไปจากแก้กรรมได้นะเออกรรมที่ว่าจะต้องให้ผลดีหรือชั่วเนี่คุณอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ได้าจะไปว่ากันนะเอาไล่ไปดีละประเด็น ไล่ไปดีละประเด็นเริ่มจากตรงจุดที่เรากวนพิจารณาเนืองๆตรงนี้ก่อนเนืองๆนี่ยคือบ่อยๆทำความเข้าใจให้ละเอียดเหมือนสับหมูสับๆไปเอาทำไมสับที่เดิมมันก็ขาดกันแล้วมันยังไม่ละเอียดสับลงไปอีกมันยังเป็นชิ้นอยู่ชิ้นใหญ่ด้วยสับลงไปอีกก็ทีเดิมพลิกไปพลิกมา ดูแง่มุมนั่นดูแง่มุมนี้ดูไปคือว่ า, าเรามีกรรมเป็นของของตนคือเราสร้างเหตุคือเรากระทำตนจึงบอกไว้ในนิเพธที่กาสูตรที่พูดถึงว่าเจตนาเนี่แหละคือกรรมออแล้วใครเป็นผู้เจตนาก็ตัวเราเนี่ยแหละแต่บูดอย่างนี้มันก็จะไม่รัดกุมอีกอะแล้วตัวเรานี่มันคือใคร ไม่ใช่นะคือเราสร้างเหตุแห่งการเจตนานั่นเองเหตุแหงการเจตนาคือการปรุงแต่งนั่นแหละแล้วใครเป็นผู้ไปปรุงแต่งก็ตัวเราเนี่แหละเราพูดอย่างนี้มันก็ไม่รัดคุมอีกแต่ว่านะประเด็นนี้เราเค่อยมาเกลียให้ที่เราปรุงแต่ ง, ร ง, ตงเราปรุงแต่ง้เราปรุงแต่งเพราะอะไรไอ้ที่ว่าตัวเราตัวเราเนี่ยอามันมีอะไรมากระทบมีเสียงมีภาพมีกลิ่นผ่านทางตาทางหูทา ง, ทางจมูก เราก็เลยปรุงแต่งต่า ง, างๆแบบนั้นไปไอ้ที่แบบปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปนั่นแนหะมันก็คือเจตนาเจตนาที่เราใส่ไปใส่ไปนั่นแนะ่ะมันก็คือกรรมใครเป็นคนทําก็ตัวเราเนี่แหละไอ้ที่ว่าเจตนาที่ทำเนี่ยมันต้องได้ผลนะกรร ม, มะสะโกมีกัร ม, มทายาโทเนี่ยคือจึงเป็นลักษณะที่พูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลถ้ามีการกระทําแล้ว ก็จะต้องได้รับผลของกรรมถ้ามีการกระทำแล้วต้องได้รับผลของการกระทำนั้นถ้ามีเจตนาแล้วก็ต้องได้รับผลของเจตนานั้นให้เข้าใจแค่นี้มันซึมลึกให้มันซิงอินให้มันซิดให้มันเข้าไปสู่ในใจของเราคำนี้จะแบบนบลึกซึ้งมากนะเนี่ย เราทำอะไรเราจะได้รับผลของมันถ้ายัางมีตัวเราอยู่นะเราจะได้รับผลแน่เราเจตนาตั้งไว้คิดไว้แบบไหนสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นปรากฏขึ้นเป็นผลออกมานี่คือถ้าบอกว่าพูดเรื่องควันตั้มก็ยังไปได้อยู่นะท่านฟังคือนักวิชาการเขาอยากจะเห็นว่าที่มันเป็นคลื่นหรือมันเป็นอนุภาคไหนลองมองที่มันเป็นคลื่นไหมเฮ้ยมันเป็นคลื่นไง ไนมองดูชิมันเป็นอนุภาคไหมอา้าวมันเป็นอนุภาคแฮะมันเป็นทั้งคลื่นทั้งอนุภาคได้ในตัวเดียวกันเขาจึงระยกว่าขวันตามไงนั้นยกไว้อย่าเพิ่งมึนนะทุกฟังเรามาคลี่คลายกันไปที่ระเบิดเด็นรม ค, คือเจตนาเจตนามาจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นมาจากกระตุน้นกระตุ้นผ่านทางตาทา ง, ทา ง, ทางหู จมูกลิ้นกายหรือใจแล้วก็จึงมีการปรุงแต่งออกมาทางทว า, ท า, า, ว า, ารสามช่องทางกายวาจาหรือใจการกระทํสามช่องทางกายวาจาใจที่ปรุงแต่งนั้นก็คือกรรมคือเจตนาของใครจิตนัแล้วจิตนี่นแห ล, ละเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ในทั้งตัวรับรู้สิ่งต่างๆทั้งการปรุงแต่งทั้งช่องทางสามอย่าง เวลาที่เรารับรู้มามันก็เกิดผลไงคือการปรุงแต่งออกไปการปรุงแต่งออกไปเป็นเจตนามันก็เกิดผลไงผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ตามแต่ที่จะปรุงแต่งนั้นท่านจะบอกว่าเรามีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมพันธุนะทุาฝั่งเรามีกรรมพันธุ คือไม่ใช่ว่ากรรมพันธุ์จากพ่อแม่คุณเป็นคนอีสานคุณเป็นคนใต้นี่กรรมพันธุ์มาเป็นอย่างนี้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้เอา้าคุณมีเชื้อฝรัง่งมีเชื้อลูกครึ่งหน้าตาก็จึงเป็นอย่างแบบหนึ่งอันนี้คือทางกายเพราะมีการกระทำมาก่อนแล้วของพ่อและแม่โดยทาสีแบบนี้ มีด n a มีโครโมโซมแบบนี้ประกอบกันทางกายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ทางจิตใจของเราทางจิตใจของเรามีกรรมพันธุ์มีความต่อเนื่องต่อมานิพพันธุ์ทุพัน ท, นทุหรือเป็นวงเป็นสายต่อมาเนี่ยเป็นสายต่อด้วยการกระทำเป็นความต่อเนื่องกันมาเกิดต่อไปเกิด ต่อไปต่อไปต่อไปนี่มันจึงไม่ตายไงเกิดแล้วก็ต่อไปเกิดแล้วก็ต่อไปแล้วตายอยู่ไหนตายแล้วก็เกิดใหมไ่ไงไอต้ตายแล้วกเกิดใหม่น้ำคือต่อไปเป็นกรรมพันธ์ก็จึงเรียกว่าเป็นวัตะทีอวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เรือที่วนไปวนไปเนี่ยก็ตามแต่ที่คุณจะกระทาลงไป กรรมเนยจึงเป็นการกระทำด้วยการกระทำก็คือเจตนานั่นเองเจตนาเป็นทางใจแล้วมีการเคลื่อนไหวทางทวารทางกายหรือมีการเคลื่อนไหวด้วยทวารทางปากทางวาจาพ็เป็นทางกายเป็นทางวิจีออกมาก็มาจากเจตนาเจตนาที่ถ้าจะขยับมือขยับเท้านั่นก็เป็น กายกรรมเจตนาที่จะขยับปากพูดออกไปต้องพูดคำนี้คำนี้หนึ่งก็เป็นมโนกรรมเป็นช่องทางที่ให้แสดงถึงเฉยเเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นช่องทางแต่มันคือตัวกรรมการกระทาเจตนาเองนี่แหละที่อาศัยการกระทําที่เราทาแล้วมามันก็จะดองให้ผลรับรู้ถึงผลนั้นบ่านทางตา่า ง, า ง, างหู ก็กระตุ้นต่อมาทำอะไรต่อกันไปอีกในการที่เป็นสายต่อเนื่องต่อเนื่องคือเป็นกรรมพันธ์ต่อเนื่องกันไปวนไ ป, เ ก, นกไปเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไปต่อเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไปต่อกระทําต่อไปต่อไปตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญนะทูกฟังว่าใ้ากระบวนการการหมุนไปวนไปเป็นกรรมพันธ์ เป็นกำเนิดเป็นผลที่จะเกิดขึ้นนี่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการการเจตนาเนี่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการที่เราลงมือทำนี่การทำที่สุดแห่งทุกมันจะมีไม่ได้การประพฤติปรมาจันมันจะไม่ปรากฏคือมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติไงแต่เพราะว่ามันต้องมาผ่านไอตัวเราที่สามารถตั้งเจตนา คือเลือกได้นะตั้งเจตนาคือเลือกได้ว่าคุณจะกระทาอะไรจะปรุงแต่งทางทวานนั้นอย่างไรให้ตรงที่เลือกได้นี่แหละตรงที่เราตั้งเจตนาได้นี่แหละมันจึงเป็นตัวกาหนดได้ว่าเราจะไปให้มีกรรมพันธ์แบบไหนเราจะมีเผ่าพันธ์ต่อไปหมายถึงได้รับผลอย่างไรจาก การกระทำของเราต่อไปนี้การประพฤติปรหมจัรย์จึงมีขึ้นได้การทําที่สุดแห่งทุกจึงปรากฏได้เพราะการกระทำของเราตรงนี้ไอ้ทีว่ากรรมพันธ์กรรมพันธ์ไม่ได้หมายถึงว่าโอเคฉันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็จะต้องเป็นอย่างงี้ต่อไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้โอ้ยเข้าใจผิดแล้วคนละเรื่องเลยเนี่ยคนละเรื่องแล้วเลยแต่กรรมพันธ์หมายถึงคุณจะได้รับผล ที่มันจะมีความต่อไปจากการที่คุณทำตอนเนี้ยคุณจะทำอะไรอะ่ะหลังแล้วคุณจะได้รับผลของมันต่อไปอะ่ะต่อไปแล้วต่อไปเนี่ยซึ่งไอ้กระบวนการตรงนี้มันยังอยู่ในประสูน์หนึ่งนะว่าจะได้รับผลต่อไปในสามระดับอย่างไรแล้วก็วากันมีคำอธิบายต่อไปให้เข้าใจในหลักการเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่ากรรมพันธุ์ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ฉันเป็นกรรมพันธ์มาอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปไม่ถูกต้องเลยดูทั้งภาษาก็ได้ต้นบอกว่ากรรมใช่ไหมใครกระทาก็เราเนี่ยแล้วกระทำํำใช่ไหมล่ะกรรมสโกโมีเราเป็นผู้กระทํากรรมท่านเราเป็นผู้กระทํากรรมเราก็ได้รับผลของมันถูกไหมเออนี่เข้าใจอยู่แล้วพอเราทํากรรม กรรมนั่นแหละเกิดแล้ว้กรรมที่เราไปทำนั่นแหละเป็นกรรมพันธุ์คือมันจะสืบสายต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการกรรมพันธุ์ที่ดีคุณก็ทํากรรมดีเลยแตคุณทํากรรมไม่ดีกรรมพันธุ์ต่อไปมันก็ไม่ดีเลยก็ใช่ดินี่เกิดแบบอธิบายง่ายๆเบสิคเบสิที่สุดแล้วนะทุกฝังนะกรรมพันธุ์เรากําหนดได้จากการกระทําของเราแต่จึงว่ากรรมพันธุ์ทุ ที่มันจะต่อไปให้ผลเนี่ยมันมีนะการกระทำเนี่ยให้พิจารณานะจะทำอะไรเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั้นที่เราไปทำนั้นนะ่ะมันจะเป็นลักษณะาการที่เราสร้างอาสวะในรูปแบบใดๆเอาไว้คือถ้าเรากระทำกรรมเดิมหน้าของความพอใจความเพลินมันก็จะมีอนุสัยคือ ราคาเกิดขึ้นสะสมไว้ก่อนนะสะสมไว้สะสมไว้นั่นแหละเราก็ต้องยืนเหยียบมันตรงนั้นคือพึ่งมาแล้วถ้าเรากระทํากรรมใดด้วยอํานาจของความขัดเขืองความไม่พอใจโทสะมันก็เป็นปฏิกานุสัยปฏิกานทุไซนี่ก็สะสมแล้วนี่เราก็กยืนเหยียบมันอยู่นั้นมันก็เป็นที่พึ่งของเราตรงนั้นเลยปฏิกานุสัย หรือถ้าเราทำกรรมอะไรด้วยอำนาจของความไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นอวิชานุัส่ในสิ่งนั้นนะ่ะมันก็สะสมอยู่ที่จิตของเราไงนุสัยสะสมไว้เราก็อาศัยมันนั่นแหละจิตนั่นแหละสะสมไว้ที่ไหนสะสมไว้เป็นจิตสะสมไว้ในจิตสะสมไว้คือจิตจิตนั่นแหละเป็นที่อาศัยของเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเรากามมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเรายังทํากรรมดวยอหน้าของราคะโทสะหรือโมหะเราก็มีจิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะหรือโมหะอนุสัยนั้นๆเป็นที่พึ่งอาศัยอยู่นั้นนั่นแหละกรรมจึงเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างนี้ทีนี้ท่านก็สอนต่อไปอีกนะว่าถ้าเราจะเหนือจากกรรมนี่คือก็อย่าอาศัยกรรม หมายถึงทํากรรมด้วยอย่าใช้ราคะโทสะหรือโมหะเพราะเรามีการกระทําชนิดที่ไม่ได้ใช้ราคะโทสะหรือโมหะใช่ไหมอนุสัยสามอย่างมันเกิดไม่ได้ราคะนูสัยปฎิกะนูสัยอวิชานุสั ย, ย, ย, ยเกิดไม่ได้มันไม่มีที่พึ่งอาศัยนะจิตเราเนี่ยไม่มีที่อาศัยหมายถึงไอ้อนุสัยมันมันหลุดไปไง ในความที่เราจะถือว่าจิตเป็นตัวตนมันจะลดลงนี่ก็จึงเรียกว่าเป็นกรรมที่ว่าไม่ดำไม่ขาวเดี๋ยวจะค่ยากันอันนี้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการก่อนนะว่าไอ้ที่ว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมันหมายถึงอย่างนี้นะแล้วเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตันนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะการพิจรารณาเนืองเนืองมันก็ต้องซ้ำซ้เหมือนกันนะว่าเราก็ต้องเป็นทายาตของกรรมรับผลของมันมีกรรมการกระทำนั้นเป็นเผ่าพันเป็นกรรมพันไม่ว่าจะดีหรือชั่วพิจรารณาหนืง่งๆนอย่างแล้วดูฝังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นอย่างแรกเลย คือปัญญาไงปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดจากความเข้าใจไม่ได้เกิดจากความงมงายปัญญาเกิดจากการพิจารณาคือโยนิโสมณสิการปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นเองแบบว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่เกิดขึ้นด้วยอาศัยจากการพิจารณาคือโยนิโสมณสิการพิจารณาอย่างนี้ ความรู้ความเข้าใจเรื่องกรรมจึงจะมีแต่ว่าตรงลึกซึ่งนะ ค, คนบางคลก็ท่องแล้วท่องอีกสวดมนต์เช้าเย็นแต่ยังไม่เก็ตน่ะก็จำอีกดูมันยังไม่ขาดมันยังไม่ละเอียดต่อไปอีกทั้ฟฝั่งประการที่สองที่นอกจากปัญญาจะเกิดแล้วอุเบกาก็าจะตามมาด้วยที่เดินให้เวลา ทำใจให้เป็นอุเบกขาหมายถึงมีการวางเฉยวางเฉยจากการว่าเออคนนั้นก็จะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นยังไงเออเราจะเจอสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็วางเฉยได้คนที่เรารักเขาจะแบบได้ดีหรือได้ทุกข์คนที่เราเกลียดเขาจะได้ทุกข์หรือได้ดีเราจะไม่ดีใจไปตามขึ้นขึ้นลงลงเออแต่ว่าพอวางเฉยได้ในลักษณะ การที่เราพิจารณาเรื่องของกรรมที่จะช่วยได้วางเฉยได้คือคุณตัดในความลุ่มหลงความเพลินตรงนั้นออกไปด้วยอะไรก็ปัญญาที่เกิดขึ้นไงมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัดความที่จะคล้อยเคลื่อนเพลินไปตามสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นวางเฉยได้การพิจารณาเรื่องกรรมแบบนี้จะให้ผลสองอย่างนี้ตัฟังปริเด็นที่สอง ในวันนี้คือนอกจากเรื่องเรามีกรรมเป็นของตนดีก็ตามชั่วก็ตามพิจารณาเนืองๆแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยองพูดกูกันด้วยเป็นในปรโยชน์ที่จบในตอนเรื่องของกรรมนั่นคือกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งที่ไม่ดำไม่ขาวมีแล้วก็วิบากที่เป็นดำที่เป็นขาวแล้วก็ สิ้นกรรมก็มีนี่เป็นประสูนต์ที่มาในอังคุตระนิการพูดถึงกรรม4ี่ประการโดยการเอาวิบากคือผลและตัวการกระทํามาจับคู้กันขวแปลอธิบายตรงนี้ก็ต้องอธิบาย เ, าเรื่องของผลและการกระทําเขาซะก่อนกรรมคืออะไรนะคือเจตนาะทําแล้วไงนะมันจะเกิดผล กับมัธายาโทไงเป็นทายาทผลเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากของกรรมวิบากของกรรมที่ว่าถ้ามันไม่มีผลไม่มีเหตุเนี่ยนะคำนี้เป็นพุทธพจน์เลยท่ฟังว่าการทําที่สุดแห่งทุกขจะมีไม่ได้กา ร, รบังบติปรมจรันทร์จะไม่ปรากฏมันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะทําไปทําไมเพราะมันไม่มีความที่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไงคืออีกความเข้าใจเนี่ยนะู้ฟังว่า เราทำกรรมอย่างใดก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นนี่คำนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะเราทำอะไรแล้วเราก็จะต้องได้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอท่านโนโๆมันรัฐกุมหน่อยซิ ร, รอบข้อหนึ่งคำสอนพรุทธเจาเนี่ยละเอียนะปรากับดักของมนันมันวางไว้หลายชั้น เราจะแยกแยะมันดูเหมันเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามันจะใช่นะสมมุตินะสมมตุติเราทํากรรมอย่างใดก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นใช่ไหมตัวอย่างนี่ข้าพเจ้ายกอยู่เรื่อยคนนีเ้เปลี่ยนบ้างดีกว่าเช่นวาถ้าเรากินหมูอย่างเงี้ยคุณกินหมูคุณกินหมูคุณเป็นการกระทําป่ะโอ้ก็ อ, ออกเจแล้วก็ไม่ต้องกินเจละก็กินหมูได้ไง ทำไมเหอหิวก็กินหมูเอาใจแล้วกจันเจตนาว่าจะกินเนี่ยมันอร่อยอยู่นี่ก็จะกินเนี่แหละเอาถ้าคําพูดว่าคุณทํากรรมอย่างไรก็จะต้องได้รับกรรมอย่างนั้นเป็นจริงเนี่ยต่อไปคุณก็ไปเกิดเป็นหมูให้เขากินนะหรือไอ ห, หมูที่เรากินอยู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันเคยกินหมูมาขอนะ่ะอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเสืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแล้วตอนเนี่ยมันก็เลยต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขามากินนะ่ะใช่ปะ แล้วถ้าคำพูดนี้จะเป็นจริงเท่านั้นนะเราจะพ้นทุกอย่างไงเราจะยืนเหนือคำยังไงดีและชั่วอย่างนี้แล้ ว, ว ง, ลงั้นฉันก็ต้องกินผักเหรอเออก็อาก่ายังคงไม่ต้องไปเกิดเป็นผักให้เขากินหรองัอ้นหรือไม่ต้องกินอะไรเออไม่ต้องกินอะไรน่าจะเข้าตากว่าแต่เป็นอย่างงั้นก็ด้วยความคิดแปลกๆแบบนี้ทุ่หวังมันก็จึงเกิดลัทธิแบบแปลกๆในตัมานตนเองหรือว่าทําท่าทางเป็นสุนัข เป็นโคเป็นอะไรอยู่สักสองสามปี เ, เพื่อที่ว่าจะเอากรรมไม่ดีที่ต้องใช้ว่าฉันจะต้องไปเกิดเป็นสุนัขเป็นอะไรเอามาใช้ตอนนี้ก่อนอมีความเข้าใจเรื่องกรรมที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้การประพฤติประมาจของเขาเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่มันไม่ให้ผลจะทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ได้แต่เราถ้า เข้าใจให้ถูกตั้งังว่ากรรมมีวิบาของกรรมมีกรมมาสะโกมีกรมมาทายาโทนี่มันจึงบอกถึงทายาคือผลของกรรมนี่คือท่านเน้นเลยนี่กรรมโยนี่คือการเกิดกรมกกรมพันธุทุกข์คือกรรมไปคือผลไงเพราะฉะนั้นไอ้กรรมการกระทําเจตนามีวิบาของกรรมมีซึ่งเป็นคนละอย่างกัน สิ่งที่ถูกต้องคือคุณทํากรรมอย่างไรคุณจะได้รับวิบากคือผลของกรรมอย่างนั้นกัลยาณ์นางวาปาปะกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามท่านจึงบอกในอังคุตรนิกายเนี่ยเขจดมานี่มันถึงมาว่ากรรมดํามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วมันจะให้เป็นวิบากอะไรผลอะไรมันก็ต้องผลทั้งดำทั้งขาวใช่เปะละ่ะแต่ถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวมันใช่ผลอะไรวิบากของมันก็จะเป็นไม่ดำไม่ขาวสิ่งกรรมได้ความเข้าใจที่ว่าเราทํากรรมอย่างไรจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนี่เนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าวันนี้นะ ถ้ามาฟังแบบว่าหูสับสนมากเลยต้องพูดอะไรคำนั่นนี่โน้นจำอะไรไม่ได้เลยแยกแยะเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องการกําเนิดเรื่องกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอาศวะ อ, อ, อ, อะไรมาเกี่ยวข้องกับเนี่อมะ้ยยังไงนะให้เข้าใจแก่นี่ยให้ให้จําตรงนี้ได้แล้วกันนะถ้ามีคนถามว่าลุงลุงป้าป้ า, าวันนี้ฟังเทศเรื่องไรเนี่ยโอ้ฟังธรรมะรับรุ่นฟังเรื่องอะไรนะ โอ้ oh, จาไม่ได้ไม่ๆม่มให้จาตรงนี้ให้ได้เจ้าหน่อยนึงจไม่ได้ว่าทํากรรมอย่างไรจะได้รับวิบาก ค, คือผลของกรรมอย่างนั้นเพราะนี่คือสัมมาทิฏฐิทํากรรมเช่นทําชั่วคือฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าฆ่าสัตว์แล้วผลกอมานะไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์แบบนั้นให้เขาฆ่านะถ้ามาเจอเราฆ่ายุ่ง ตกยุงสักสิตัวชาตินี้งั้นคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุง10ชาตินี่ก็าตกไม่ใช่นะอันนี้ไม่ถูกนะแต่ฆ่าสัตว์ผลวิบากของการฆ่าสัตว์คืออะไรทําบ่อยๆดามากๆนี่จะไปตกนรกหรือเป็นกําเนิดเตริดฉานหรือไปเป็นเปรตแต่ถ้าวิบากอย่างเบาๆนะวิบากนะวิบากคือผลนะอย่างเบาๆของผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็คือจะอายุสัน้น อยจ้นวิบาคือผลมันจึงแตกต่างกันกับการกระทำไม่ว่าทำอะไรเราก็จะลงได้อย่างนั้นพูดสั้นเกินไปจะเข้าใจผิดพลาดแต่ทำอะไรก็จะได้รับผลของมันคือวิบาอย่างนั้นจําตรงนี้ให้ได้ต้องรัด ก, กุมนะอย่าบอกว่าทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นแหละไม่ใช่นะแต่ทำอะไรจะได้รับผลอย่างนั้น ทำอะไรคือกรรมอย่างใดจะได้รับผลคือวิบากของกรรมอย่างนั้นวิบากก็ไม่ใช่ลำบากนะโอ้ยฉันเราไม่มีวิบากกันไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจความหมายว่ามันไม่ดีอย่างเดียวนะผลที่ดีวิบากที่ดีก็มีให้ผลคือวิบากเป็นสุขกรรมที่ชั่ว การกระทําที่ไม่ดีเป็นบาปก็จะให้ผลเป็นความทุกข์คือวิบากเป็นทุกข์โอเคว่าทำฟังฟังแล้วเกิดความเข้าใจคือปัญญาในวันนี้ว่าวิบากคือผลก็อย่างหนึ่งตัวการกระทําคือเหตุคือเจตนาก็อย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วปัญญาแล้นี่แบบเกิดขึ้นสว่างละ เข้าใจหลายๆเรื่องตอบโจทย์ด้วยแนวคิดทิฐิความเห็นแบบนี้ได้หลายอย่างในชีวิตของเราแน่นอนแน่นอนเฮ็ดอะไรก็ดำกับขาวไงท่านจึงแบ่งเอาไว้ดำกับขาวในประศุดที่สองยกมาวันนี้กำดำกำขาวกำน้านยังไม่ใช่ผลนะกำหมายถึงเจตนาหมายถึงการกระทํา กคำดำก็มีกคำขาวก็มีกคำดำคืออะไรกรคำดำคือสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายที่เรามักจะพูดว่ากำคำไม่ดีคำไม่ดีเพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนข้าพเจ้าจะใช้คําว่ากรคำที่เป็นบาปหรือกคำดำําเป็นลักษณะที่จะเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองหรือผู้อื่น หรือทั้งสองฝา่ายคำที่เบียดเบียนตนเองมีอะไรบ้างเพราะการทรมานตนเองอย่างนี้เป็นตนการทรมานตนนี่เป็นกรรมดําอย่างหนึ่งที่เป็นการกระทําด้วยความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าทํากรรมอะไรก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นก็เลยทรมานตัวเองเพื่อดีว่าจะได้ไม่ต้องมาทรมานเพราะคิดว่ามันจะได้เจ้ากันไปเป็นอันไม่ทํา เราก็พ้นจากความทุกข์ได้ลักษณะนี้เป็นกรรมดําโดยความเข้าใจที่ผิดเบิดเบียนตนเองเบิดเบียนคนอื่นด้วยก็ชื่นฆ่าขโมยลักทรัพย์นี่เบีดเบียนคนอื่นก็ผิดศีลด่าคนอื่นอย่างนี้ด่าลูกด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าเมียด่าเจ้านายด่าลูกน้อง ด่าคนขับรถปาดหน้าแม้เขาไม่ได้ยินจะตามนะเบียดเบียนเขาแล้วเพราะว่าเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนตัวเองด้วยตอนยกตัวอย่างถึงเวลาที่คุณไปฆ่าสัตว์ลักทรัพอย่างนี้คุณเดินตายใช่ไหมแล้วคนที่สั่งนี่ก็มีปัญหาด้วยนะได้รับกรรมไปด้วยคือถ้าเราไปฆ่าเราก็ผิดศีลเบียดเบียนตัวเองเขาตายหรือเขาได้รับความลําบากพลาดพลาก ถูกทิ่มแทงด้วยหอคือปากก็เบียดเบียนเขาด้วยเป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยนี่คือกรรมดำในลักษณะที่ทั้งตนเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายเดียดเบียนเป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจได้การปรุงแต่งออกไปแบบนี้ชื่อว่าเป็นกรรมดำการปรุงแต่งนี่คือสังคานนะทำไมกูถึงมีสังขาออกไป สังขารการปรุงแต่งเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ไงไอวิชาจึงปรุงแต่งออกไปปรุงแต่งออกไปกับทางกายทางวาจาทางใจปรุงแต่งออกไปทางมโนเป็นมโนสังขารคือมโนกรรมละปรุงแต่งออกไปทางวาจาคือวิจีสังขารเป็นวจีกรรมละปรุงแต่งออกไปทางช่องทางกายเป็นกายสังขารใช่ไหมก็เป็นกายกรรมละ ไอ้ช่องทางที่คุณปรุงแต่งออกไปเป็นกรรมละมันคือสังขารละเกิดจากความที่ว่าเออเราก็ต้องปรุงแต่งออกไปแล้วมันมีอะไรมากระทบเป็นเหตุมาเราก็ต้องปรุงแต่งออกไปไงเป็นผลไปเป็นเหตุเป็นผลไปอ่ะเป็นเหตุเป็นผลไปอ่ะเป็นเหตุเป็นผลไปน่ะมันก็ไม่รู้ไงตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือมันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้แต่ก็ไม่รู้ก็ต้องปรุงแต่งออกไปแล้วในทางใดก็ทางหนึ่งไอปรุงแต่งออกไปแบบนี้ มันก็เป็นกรรมไงในที่นี้จึงเป็นกรรมดากรรมดามีกรรมขาวด้วยก็มีเราเอาส่วนการกระทําการปรุงแต่งตามช่องทางเหล่านี้ก่อนนะทุกวา ง, งเราจึงจะค่อยไปว่าถึงผลคือวิบากของมันสิ่งที่เป็นสีขาวก็มีการกระทำกรรมขาวก็คือลักษณะที่เป็นการปรุงแต่งที่ไม่เบีดเบีย น, ยนไกลๆ ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือลักษณะที่ว่าแผ่เมตตาอย่างนี้เป็นต้นแลแ้วแพ่เมตตาเนี่ทางกายทางวาจาและทางใจนะสามช่องทางถ้าเราคิดนึกตริตระบายมีจิตเมตตากรุณาบุริต า, า, บตาเบกกาวุ่นง่ายคือสมาธินะถ้าจิตเป็นสมาธินี่จิตนะจิต มันเป็นมนโนสังขารการปรุงแต่งทางใจละนั่นคือมนโนกรรมละหรือคือในช่องต่างใจคิดเอาเฉยๆมือไม้ปากไม่ได้ขยับทีนี้ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้แล้วเรามีการพูดอะไรออกไปคำพูดออกไปที่ประกอบด้วยเมตตานั้นประกอบด้วยสมาธินั้นปรุงแต่งออกไปทางวจีทวารก็เป็นวจีสังขารก็เป็นวจีกรรมหรือถ้ามือไม้เราขยับไป หยิบของไปเดินไปการเดินไปการหยิบของการก้าวย่างนั้นหรือการทำงานนั้นๆก็เป็นการปรุงแต่งออกไปทางช่องทางกายเป็นกายะทวารเป็นกายะสังขารแล้วก็เป็นกายะกรรมละที่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเราเองดูคนอื่นหรือตัวทั้งสองฝ่ายนี่คือกรรมที่เป็นกรรมขาวเพราะฉะนั้นเราดูกรรมดำใช่ไหมคือปิดศีล ก็ถ้าไม่ผิดศีลก็เป็นกำขาวด้วยทีนี้กำขาวไม่ผิดศีลดีขึ้นไปอีกก็เป็นสมาธิด้วยผิดศีลคือกำรมดำไม่ผิดศีลคือกำขาวรวมถึงสมาธิด้วยเนี่ยนะนะเป็นกำขาวผลที่จะได้รับตั้งฝังนั่นคือวิบากวิบากที่เป็นดำก็มีของคนที่ทำกรรมดำวิบากที่เป็นกำขาวก็มี ของคนที่ทำกรรมขาววิบาของดำและขาวเป็นยังไงเอางดไอตอนทำมันดำเจตนามันดำเป็นการเบียดเบียนผลที่ได้รับก็จะเป็นลนักษณะการเบียดเบียนก็จะเข้าถึงโลกที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนตั้งหลายเช่นนรกกัมเนเดราชานหรือเปรตพวกนี้เป็นสภาวะ ที่จะประกอบด้วยความเบียดเบียนกันอย่างมากมีทุกข์อย่างมากนี่จึงทํากรรมอะไรก็จะได้รับผลแบบนั้นใช่ไหมซึ่งผลนี้คือการเข้าถึงคือประกอบด้วยผัสสะที่เป็นไปด้วยกับความเบียดเบียนผลมันจึงได้รับเป็นอย่างนี้สวยเวทนาที่จะเป็นลักษณะกับความเบียดเบียนใน่นอนมันก็เป็นทุกข์มีสุขนิดหน่อย ทุกสัส่วนมากสันนรกนี่เดรจา น, นี่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้หมาของดาราบางคนนะโอ้มันอยู่สบายกว่ามนุษย์อีกมนุษย์ที่ได้รับความลําบากนี่มันยังลําบากกว่าหมาที่สบายๆนะอีกนะเฮ้ยแต่พวกมันไม่เหมือนกันามาฟังอายุมันก็ต่างกันแล้วเอมนุษย์มีอายุยืนกว่าความสุขอะไรอื่นๆต่างๆ มันหาได้เต็มที่กวา่าบรรลุธรรมก็ยังได้แต่สุนัขมันไม่ได้นะ่ลักษณะที่เข้าถึงวิบากดำก็เกิดมาจากการกระทาคือเจตนาที่เป็นสีดำสีขาวก็เหมือนกันนะังวิบากขาวไงวิบากขาวการรมขาวมีวิบากขาวถ้าเรากระทกากรรมการกระทาที่ไม่เบียดเบียนใช่ไหมเป็นสีขาวก็จะ ได้รับผลจะเข้าถึงโลกหรือมีผัสสะชนิดที่ไม่ได้เบียดเบียนเพราะเขาคือไม่เบียดเบียนผลก็จะได้แค่เข้าถึงความที่ไม่เบียดเบียนได้เสวยเวทนาที่ไม่ใช่การเบียดเบียนก็เป็นสุขไงเป็นสุขนี่ก็ไล่ไปเลยตั้งแต่มนุษย์ภู้มีอันจะกินเทวดาจนถึงพรมพวกนี้คือการไม่เบียดเบียนสบายๆเป็นสุข มีฮิริโอตะปาคือมันแตกต่างตรงนี้ศี น, นี่นะคือเป็นปกติของมนุษย์ใช่ไหมสีเป็นปกติของมนุษย์กต่ถ้าคุณรักษาศีนคุณก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ศีนบวกฮิริโอตะปาคือความกลัวความละอายต่อบาปเออคุณเพิ่มไปเป็นเทวดาเป็นสวรรค์สวรรค์หชั้นถ้าคุณบวกสมาธิขึ้นไปอีกไปเป็นพรหมหรือพรหมไม่หันสีสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งน้อย ก, ก็ตามมากก็ตามก็ขึ้นไปอยู่บนชั้นพรหม ก็เป็นโลกที่อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเจอภรษะที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนได้รับเวทนาที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าวิบากขาวทีนี้ถ้าผสมกันผสมกันผสมกันมังคนผสมผสมกันแล้วกรรมดำํากรรมขาวบางคนทําทั้งสองอย่างเออชั่วจะกระทา เอาเถพอถึงเวลาจึงก็ไปรักษาศีลทำสมาธิถึงเวลาปิดศีล น, นะก็ไปผิดอยู่แต่ถึงเวลารักษาศีลอ่ะช่กัอ่าอ่าปานาตีปาตาเวรมณีอ่ก็ว่าไปประกาศหศีลไป่าถึงเวลาเดี๋ยวเดีว๋วันนี้เอาสักวันหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบหนึ่งนะนะมั น, นก็ผิดศีลอีกจก น, นเกิดไปทำถูกศีลอีกก็แสดงว่าทำทั้งดำและทำทั้งขาวเป็นกรรม ทั้งที่เจตนาแบบดำบ้างขาวบ้างก็ไม่ใช่ผลเป็นลายท่าฟังเอาขุจักษุณเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างจะปละ่ะก็จะได้รับผลเป็นเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างาแล้วผลที่จะได้รับก็จะไปเกิดในโลกทั้งที่ทสุขบ้างทุกบ้างปนกันมีสุขและทุกข์ปนกันแล้วถ้าแบบมิกซ์กันอย่างมากๆแบบพอดีๆมากๆปฏพอดีเนี่ยมันจะเป็น เป็นเทพบางพวกที่ว่ากลางวันสุขกลางคืนทุกเนี่ยเช่นพวกเวมานิกเปรตอย่างเงี้ยเวมานิกเปรตนี่ก็คือเปรตที่มีวิมานนะในเรื่องราวนิชานชาดกธรรมบทอะไรต่างๆเหล่านี้มีอยู่ช่วงเวลานี้สบายช่วงเวลานี้ก็ไปเป็นเปรตลําบากหรือดูแม้แต่พญานาคยีเป็นต้นก็ได้ เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นเทพนะนก็งงๆกันนะอาเป็นเทวดาแล้วไงเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นสัตว์เราาัาเป็นเทวด า, ากันแน่ทั้งครุฑทั้งนาคแบบนี้เป็นสัตว์เดรัจานนะคือบมรู้ทํำไมได้แต่มีกายที่เหาะเหินเดินอากาศได้บางคนก็ชอบไปบูชาด้วยเออมันก็เลยแปลกๆนิดหนึ่งกู น, นี้แล้วทําทั้งดําและทําทั้งขาว เราทำกรรมด้วยเจตนาเบียดเบียนก็มีไม่เบียดเบียนก็มีก็จึงได้รับผลทั้งดำทั้งขาวเจือกันปนกันยังรวมถึงพวกในนิริยาบาลด้วยนะรวมถึงพยาโยมด้วยเนี่ยแหละก็เป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เจือกันแต่พอเวลาไปทํางานอยู่ในนรกโอ้ยก็ต้องร้อนก็ต้องถูกเผาเหมือนกันนะแต่พอเวลาเบรกเออก็ได้มาสุขอยู่เหมือนกัน อย่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลตั้งหวังทั้งพยาบาลทั้งหมอเนี่ยอยู่ใกล้คนเจ็บนะแต่ว่าตัวเองไม่ได้เจ็บนะเออได้รับเกียรติได้รับเงินได้รับหน้าที่แม้แต่าเวลาทำงานเนี่ยมันมันเสียงนะ่ะมันก็มีทุกข์ใครเป็นเวนเนี่ยโอเป็นเวนจริงๆเลยล่ละใครพ้นจากเวนได้พักเออมันก็ยังมีสุขบ้างนน เ, าเนี่ยมันขาวๆดำๆเลยลักษณะคล้ายๆกันอย่างไรถึงฝัน ส่วนอตมาคือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะวิบากนั้นก็จะเป็นไม่ดำไม่ขาวที่ไม่ดำและไม่ขาวคืออะไรคือต้องประกอบด้วยปัญญาจำบ้างนั่นคือสัมมาทิฏฐิไงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิส ม, มาสังกปะเลยนั่นคือส่วนปัญญาเฮ้ที่เหลือนี่ก็ทิ้งไม่ได้นะ เพราะว่าจมาทางปัญญาได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมาก่อนก็ต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนั่นคือศีลส่วนสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติประกอบกันแล้วแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็คือสัมมาสมาธิองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้นั้นนั่นแหละจึงเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่แน่นอนท่านฟังว่า จะมีส่วนประกอบของกมขาวอยู่แน่ในกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยมีส่วนประกอบของกมขาวอยู่แต่ไม่มีส่วนประกอบของกำดำนะเพราะกมดำมันผิดศีลใช่ไหมตรงข้ามกับกำขาวจะไปทางที่ไม่ดำไม่ขาวได้คุณต้องผ่านทางขาวคือศีลคือสมาธิศีลนี่ใครๆก็สอนดูฟัง สมัก่อนนู่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นศีลมีมาแล้วสมาธิมีแล้วระดาบทกลมโคต ร, รุตกะปพระรามาบทเหล่านี้ก็ททำสมาธิกันให้กันสูงๆทั้งนั้นมีแล้วแต่สิ่งที่จะเป็นทางไม่ดาไม่ขาวเพิ่มเติมขึ้นมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือปัญญาปัญญาจึงเป็นอันดับสูงสุดเหนือทั้งดาเหนือทั้งขาว คือจะเรียกว่าไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละเพราะต้องการให้มันสอดคล้องกันแล้วก็จำได้ง่ายๆองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่างแยกออกได้เป็นปัญญาศีลสมาธิแล้วถ้าท่านฟังฟังในช่วงของจิตวิเวกที่กัปเจ้าได้พูดถึงการภาวนาที่ประกอบด้วยสติอย่างไรยากยัอย่างไรจะรวมกันเป็นสาก็ได้แยกเป็น8ก็ได้ ย่อเป็นสองหรือเหลือเป็นหนึ่งก็ได้ที่ว่าไม่ดำไม่ขาวนั้นจะมีผลคือวิบากของเขาก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ดำไม่ขาวหมายถึงสิ้นกรรมตรมัมบฟังจะไม่ได้ไปทั้งเป็นสัตรร ว, ว์นรกกาเนิดเดรัชัานรปวิสัยที่ว่าดำวิบากนั้นหรือวิบากขาวที่ว่าเป็นมนุษย์มีอัญชกินเทพเทวดาปรหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ขาว แต่มันสิ้นกรรมคือเหนือทั้งดำเหนือทั้งขาวนี่ไงท่านผู้ฟังเหนือทั้งดำเหนือทั้งขาวนะ่ะกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่ผลออกมานี่วิบากของเขานี่การกระทำคือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างท่านย่อเหลือให้จําง่ายๆนี่คือศีลสมาธิปัญญาเหลือง่ายๆจําง่ายๆสามอย่างนี่ศีล ส, สมาธิปัญญา จะเป็นทางที่ให้ถึงความสิ้นกรรมจะสิ้นกรรมได้ต้องเข้าใจกรรมอย่างนี้นะตัวหวังต้องเข้าใจว่าเเรามีกรรมเป็นของตนได้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามจะได้รับผลอันนี้เข้าใจอันนี้คือทางสีขาวมาไงคุณถึงจะเหนือจากทั้งกรรมขาวและกรรมดําจะอยู่เหนือจากทั้งกรรมดีและกรรมชั่วผ่านมาทางกรรมดีเท่านั้น ทางนี่ต้องมีศีลสมาธิต่อยอดขึ้นไปอีกนิดนึงคือปัญญาเราก็จะอยู่เนื้อกำดีกับชัวได้นี่เป็นเอพิโซดที่หนึ่งตัมฟังในซีรีส์เรื่องของกรรมนำสองประสู์มาประกอบกันให้ตัมูฟังฟังในวันนี้อธิบายโดยละเอียดว่าเรามีกรรมพันธ์ยังไงมีกรรมเป็นที่อาศัยยังไง ดีหรือขาวเป็นอย่างไรชั่วหรือดำเป็นอย่างไงแล้วก็จบปิดท้ายด้วยที่ว่าเหนือทั้งดีและชั่วไม่ทั้งดำและขาวสิ้นกรรมได้เนี่ยเองในป p i s o d หน้าก็จะนำเรื่องนัยยะอื่นๆของกรรมมาอธิบายต่อไปเป็นซีรีส์เรื่องของกรรมที่จบในตัวในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้น จะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในตุกบันพุทธตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระฉายเสียงแห่งประเทศไทยหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเ e a ร์ชหาจากแอปพลิเคชันเช่น Spotify หรือว่า Apple Podcast Sear ์จกรมาปัญญาภาวนาหรือปัญญาอย่างเดียวก็ได้ มีให้เลือกฟังในหลายๆรายการหรือที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ตูมฟังเว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ปัญญ า, า, า, ญญา .ORG P A N Y A.ORG ธรรมชาพระมหาไพบูลอาพีปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริญทร์พรอ